ไกลกว่าที่คิดชีวิตคือการวิ่งมาราธอนส่วนจะวิ่งไปให้ถึงไหนไม่มีใครบอกเราไว้ก่อนนนำซ้าทำไมมาก้มหน้าก้มตาวิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่อย่างนี้ก็ต้องดาวเหตุผลเอาเองหรือไม่ก็เลือกที่จะเชื่อเพื่อนร่วมทางคนใดคนหนึ่งตามอัธยาศัยเฉพาะตนนักวิ่งมาราธอนมีหลายแบบ บางคนยิงวิงยิงไรจุดหมายยิงวิงยิงเหนื่อยอ่อนไม่มีกกะใจแม้แต่จะดื่มน้ำที่พกมาด้วยกระทั่งตัดสินใจหยุดกลางคันขอนอนกองอยู่กลางทางนี่ล่ะผิดกติกาไหนใครจะลากคอไปลงโทษไม่สนซึ่งก็เปรียบเหมือนในชีวิตจริงที่คนบางคนคิดสั้นฆ่าตัวตายไปดื้อไม่อยากรอวันตายตามสภาพจะต้องเกิดใหม่เป็นเ ป, นเปรตหรือเป็นคนก็ช่างหัวมัน บางคนยิ่งวิ่งยิ่งสนุกหาวิธีวิ่งให้เหนื่อยน้อยหาดอกไม้ริมทางเก็บสะสมหาเพื่อนร่วมทางที่คุยถูกคอหาคู่แข่งวิ่งเร็วเอาแพ้เอาชนะเป็นระยะเรียกว่าสนุกกับการวิ่งมากกว่าเร่งไปให้ถึงที่หมายซึ่งก็เปรียบเหมือนในชีวิตจริงที่คนบางคนตั้งโจทย์ใหม่ใหให้แต่ละวันโดยไม่สนว่าจะต้องตายเมื่อใดชีวิตใหม่จะมีจริงหรือเปล่า บางคนยิ่งวิ่งยิ่งสงสัยยิ่งถามตัวเองว่าทำไมถึงต้องมาวิ่งอยู่อย่างนี้ด้วยถ้าตัดสินใจหยุดกลางคันจะผิดกฎหมายมาตราไหนให้ต้องโดนย้ายไปสู่ลู่วิ่งอื่นที่เส้นทางฮอรโหดกว่าเดิมหรือเปล่าหรือถ้าหากวิ่งไปถึงที่หมายบนเส้นทางของความไม่รู้นี่แล้วจะต้องถูกบังคับให้วิ่งต่อไปอีกหรือไม่ซึ่งก็เปรียบเหมือนในชีวิตจริง ที่คนบางคนต่อให้มีความสุขแต่ก็รู้สึกไม่อิ่มเพราะไม่ได้คำตอบให้ตัวเองว่ามาอยู่ในรูวิ่งนี้ได้อย่างไรกำลังจะไปไหนกันแน่ถึงแล้วต้องไปต่อหรือได้พักได้หยุดวิ่งเป็นการถาวรบางคนยิ่งวิ่งยิ่งเกิดภาพเป้าหมายในหัวเพราะได้คำตอบจากคนวิ่งนำผู้น่าเชื่อถือผู้ปฏิญาณตนว่าไปถึงจุดหมายมาแล้ว อีกทั้งรู้แล้วว่าการวิ่งมาราธอนคืออะไรการวิ่งจะไม่สิ้นสุดเองจะต้องถูกใส่คอบังคับให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างยืดเยื้อยาวนานแบบไร้เกณฑ์สารเว้นแต่จะรู้วิธีถอนตัวออกจากการวิ่งซึ่งก็เปรียบเหมือนในชีวิตจริงที่คนบางคนได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าเพราะไม่รู้จึงต้องเดินทางยาวไกลเป็นอ น, นันตชาต ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตแบบไร้วันจบวันสิน้นขึ้นต้นชาติใหม่ก็ต้องเรียนรู้วิธีวิ่งมาราธอนกันใหม่บางชาติได้โค้ดดีก็เหนื่อยน้อยบางชาติได้โค้ดเล็วก็เหนื่อยหนักบางชาติมีฟังโค้ดก็สเปสะสปะปูยีปูยำชีวิตตัวเองเลยเทะเบื่อสภาพของตนจนร้องไห้สงสารตัวเองเหนื่อยหน่ายใส่ตัวแทบขาดก็ยังต้อง ว, งวิ่งวิ่งวิ่งแบบไม่เห็นสาลาพัก ไม่เห็นอนาคตกันต่อถ้ากำลังเหนื่อยเหมือนวิ่งมาราธอนกำลังงงกำลังรู้สึกเออว่าทำไมต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ให้บอกตัวเองเลยจริงๆแล้วคุณมาไกลกว่าที่คิดสังสารวัฏยาวนานเกินจินตนาการถูกหลายชาติเหนื่อยกว่านี้หลายร้อยเท่าคุณแค่หลุดจากชาตินั้นมาเหนื่อยต่อในชาตินี้ และจะมีชาติใหม่ให้เหนื่อยต่ออีกรื่อเรื่อยและเพื่อจะหยุดเอาวิชามาราทอนคุณจะต้องมีวิชาถอนตัวโดยเริ่มจากการรู้เข้ามาในตนนบัตดนี้ว่าจิตนี่เองคือผู้วิ่งมาราทอนมาแสนานานจิตนี่เองคือผู้หลงวิ่งอย่างไม่รู้จิตนี่เองคือผู้รู้สึกสุดทนกับความหน้าเหนื่อยหน่ายนานับประการ จากนั้นเพื่อถอนจิตจากอาการหลงวิ่งอย่างไม่รู้ก็ต้องรู้ว่าหยุดเพื่อรู้เป็นอย่างไรนับเริ่มจากการหายใจใหม่ไม่หายใจเสียของเปล่าแต่หายใจเอาความรู้ว่าลมหายใจไม่เที่ยงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเป็นแค่ธาตุลมที่พัดเข้าพัดออกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา ลราสังเกตต่ออีกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มากับแต่ละลมหายใจก็ไม่เท่าเดิมความรู้สึกเบื่อสุดๆเซ็งตัวเองสุดๆก็เป็นเพียงความทุกข์ชนิดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนระดับไปกับลมหายใจต่างๆแค่สังเกตจนรู้ซึ้งและเกิดสติอยู่เรื่อยๆว่าสุขทุกข์ในแต่ละลมหายใจไม่เที่ยงคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองหยุดพักอยู่ข้างในไม่วิ่งเรื่อย